ความอัศจรรย์มีจริงโดยดตรตุกหรือด็อร์ดาราวันเด่นอุดมถ้าหลวงตาสั่งให้ไปตายหนูก็จะไปเดี๋ยวนี้เลยเรอหลวงตาเป็นผู้ให้ชีวิตใหม่แก่หนูหากหลวงตาไม่ช่วยไว้ก็คงตายไปตั้งแต่วันที่19มกราคมแล้วตอนนี้ก็ได้กำไรมาหนึ่งเดือนแล้ว พระเจ้าลั่นวาจาก้องกังวานถวายชีวิตแด่องค์หลงตามหาบัวยาณสัมปนโนระผู้เป็นยิ่งกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์สำหรับข้าพระเจ้าในวันที่20กุมภาพันธ์งห้าเมื่อได้รับโอกาสให้ไปกราบท่านที่กุตกิเพื่อขอบพระคุณที่ท่านได้ช่วยชีวิตไว้และกราบเรียนรายละเอียดเกี่ยวกับอาการป่วยเนื่องจากท่านปิวและผู้คำกับปฤษดาแจ้งมาว่าถ้าอาการทุเราพอเดินทางไว้ อยากให้มากราบเรียนรายละเอียดต่อองค์หลวงตาเองเพราะระหว่างที่ข้าพเจ้าป่วยหนักอยู่นั้นเมื่อท่านทราบข่าวจากท่านปิว๋วท่านเมตตาช่วยอยู่ตลอดเวลาและถามอาการจากท่านปิ๋วบ้างท่านผู้กํากับบ้างวันละหลายๆครั้งว่าอาการเป็นอย่างไรบ้างทั้งสองท่านก็ให้ข้อมูลได้ไม่มากนักเพราะในช่วงนั้นข้าพเจ้าก็พูดได้น้อยมากเพราะไม่มีแรงแม้กระทั่งจะเปล่งเสียงออกมา การเดินทางไปวัดป่าบ้านตาดวันนั้นพิกแตวจุม๋มเน่งซึ่งเป็นผู้เฝ้าอาการขณะที่ข้าพเจ้าหมดสติไปได้เดินทางมาด้วยกันโดยนัดหมายกับอนิวัตไว้ที่วัดป่าบ้านตาดพวกเราเดินทางไปถึงประมาณ12นาฬกา30นาทีช่วงนั้นหลวงตาออกไปส่งเคราะห์โลกที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งกลับมาประมาณ14นาฬกาพระเวรแจ้งว่าคงต้องรออีกสักครู่เพราะโดยปกติ เมื่อหลวงตาเดินทางกลับมาท่านจะต้องพักก่อนซึ่งการพักของท่านไม่ใช่นอนพักแต่เป็นการเดินจงกรมจากนั้นเวลาประมาณ16นาฬิกาเราก็ได้โอกาสไปกราบท่านที่กุฏิข้าพเจ้าตั้งใจว่าพอกราบท่านเสร็จเงยหน้าขึ้นมาก็จะรีบกล่าวคำสำนึกในพระคุณของท่านที่ได้ช่วยชีวิตไว้แต่ปรากฏว่าไม่ทันองค์ท่าน ทันทีที่ข้าพเจ้าเงยหน้ายืดตัวขึ้นจากการก้งกราบท่านก็พูดขึ้นทันทีว่าที่ป่วยอยู่นะ่ะเราทราบแล้วลูกศิษย์เขาบอกเราช่วยอยู่ตลอดเวลานะข้าพเจ้าได้กราบเรียนข้อมูลเกี่ยวกับอาการป่วยของข้าพเจ้าให้ท่านทราบพร้อมทั้งอ้างพยานบุคคลที่อยู่ด้วยกันณนะที่นั้นว่าพี่พี่น้องๆ้องพวกเนี้ยคือพิเต๋าจุ๋มเน่งเขาดูแลหนูอยู่ช่วงที่อาการหนัก ไม่มีใครคิดเลยว่าหนูจะรอดทุกคนหมดหวังแต่พอได้รับการติดต่อจากท่านปิวว่าหลวงตาจะช่วยอาการก็ดีขึ้นตามลำดับจนรอดมาได้หลวงตากล่าวขึ้นด้วยความเมตตาว่าความอัศจรรย์มีจริงสลบไปสามวัน วันเกิดเหตุคือวันที่19มกราคมพศส5 4 8วันนั้นข้าพเจ้าตั้งใจเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อนำของขวัญวันเกิดไปให้หลานซึ่งครบรอบวันเกิดมาตั้งแต่15้ามกราคมแต่ยังไม่มีเวลาไปพบกันเผอิญ ม, มีความรู้สึกอ่อนเพลียจากอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบซึ่งเป็นมาประมาณสองเดือนจึงโทรศัพท์ป ร, ร, รึกษาพี่แป้นหรือคุณหมออมรามาลิลาพี่แป้นแนะนาให้พักผ่อน จึงตัดสินใจเปลี่ยนแผนเลื่อนการเดินทางไปก่อนช่วงนั้นมาดเพื่อนบ้านที่แสนดีเข้ามาคุยด้วยบ้านของเรารั้วติดกันด้วยความที่อยู่ด้วยกันเหมือนญาติเลยทะลุรั้วหากันข้าพเจ้าจึงขอให้มาดนำยาหอมาให้เพราะรู้สึกเพลียๆข้าพเจ้าจำเรื่องราวได้เพียงเท่านี้เหตุการณ์หลังจากนี้ถูกลบเลือนไปจากความทรงจาโดยสิ้นเชิง เมื่ออาการเป็นปกติกลับมาพักที่บ้านจึงมาถามรายละเอียดจากมาดว่าเกิดอะไรขึ้นกับข้าพเจ้าหลังจากดื่มยาหอมแล้วตุม๋มเพื่อนบ้านอีกคนที่รักกันเหมือนพี่น้องช่วยให้ข้อมูลว่าตอนที่พิตุกดื่มยาหอมตุ๋มก็อยู่ด้วยยังถามพิตุกเลยว่าจะให้ตุ๋มพาไปหาหมอไหมพิตุกบอกว่าไม่ต้องขอนอนพักดูก่อนมาดบอกว่า พอเดินกลับบ้านไปสักครู่ก็จะรับโทรศัพท์จากข้าพเจ้าว่าอยากดื่มนมมาจึงนำนมมาให้คำบอกเล่าของมาดทำให้ข้าพเจ้าค่อนข้างตกใจว่าอาการขณะนั้นน่าจะหนักเอาการอยู่ถึงขนาดต้องโทรศัพท์ไปหาเพราะโดยปกติหากต้องการอะไรข้าพเจ้าก็จะเดินไปตะโกนบอกบ้านก็อยู่ติดกันเดินไปหากันก็แค่ไม่กี่เมตรนี่แสดงว่าข้าพเจ้าไม่มีแรงเอาจริง มาเล่าต่อว่าพอถึงเวลาประมาณสิบเอนาฬิกานึกเป็นห่วงว่าข้าพเจ้ารับประทานอาหารหรือยงังจึงเตรียมต้มข้าวต้มไว้ให้แล้วเดินมาแอบดูที่หน้าต่างห้องนอนซึ่งบ้านข้าพเจ้าเป็นบ้านชั้นเดียวภาพที่ปรากฏแก่สายตาทําให้มาตกใจมากข้าพเจ้าคงจะไหลลงมาจากเตียงอยู่ในท่ากึ่งนอนกึ่งนั่งหลังพิงประตูห้องอยู่อาเจียนสีดําเต็มหน้าอกหลับสนิทไม่รู้สึกตัว อยู่ในท่าที่พยายามดึงกางเกงนอนออกคงจะเกิดอาการร้อนจนทนไม่ไหวมาจึงไปเรียกตุมมาช่วยอีกคนแต่คิดว่าคงเข้าบ้านไม่ได้เพราะโดยปกติข้าพเจ้าจะคล้องกุญแจประตูด้านในไว้ เทวดาช่วยเปิดทางคงจะเป็นเพราะข้าพเจ้ายัางมีบุญอยู่ธรรมะจึงจัดสรรให้การให้ความช่วยเหลือเป็นไปได้ด้วยความสะดวกมาเล่าต่อว่าพอผลักประตูจะเข้าบ้านก็เข้ามาได้ทันทีเพราะวันนั้นข้าพเจ้าไม่ได้คล้องกุญแจไว้แต่เปิดเข้าห้องนอนไม่ได้เพราะข้าพเจ้านั่งพิงอยู่ หากผลักเข้ามาก็เท่ากับผลักข้าพเจ้าให้ความหลงไปกับพื้นซึ่งอาจเกิดอันตรายได้จึงเดินอ้อมไปเข้าด้านห้องน้ําโชคดีอีกวันนั้นข้าพเจ้าไม่ได้ใส่กรอนประตูมาดกับตุ๋มได้ช่วยเช็ดตัวและเปลี่ยนเสื้อผ้ายข้าพเจ้าจากนั้นก็โทรศัพท์ติดต่อโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งให้นํารถฉุกเฉินมารับข้าพเจ้าสุนีลูกศิษย์หลวงตาที่รักและนับถือข้าพเจ้าเหมือนพี่คนหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พอดี และเป็นผู้เชื่อมโยงให้ข่าวนี้ทราบไปถึงองค์หลวงตาสุนีเล่าว่าวันนั้นมีความรู้สึกคิดถึงและเป็นห่วงข้าพเจ้าขึ้นมาเพราะรู้ว่าข้าพเจ้าไม่ค่อยสบายอยู่จึงโทรศัพท์มาหารอตั้งนานข้าพเจ้าก็ไม่รับโทรศัพท์สักทีจนมาดมารับแทนแล้วบอกว่าข้าพเจ้าหมดสติอยู่กำลังโทรเรียกรถพยาบาลสุนีเช็คอาการทุกสิบนาทีว่าฟื้นหรือยังข้าพเจ้าก็ยังไม่ฟื้นสักที จนถึงช่วงบ่ายสุนีรู้สึกกังวลมากขึ้นประมาณบ่ายสี่โมงพี่เต๋ามาดูอาการที่โรงพยาบาลเห็นสภาพข้าพเจ้าอาการสาหัสมากน่าเริ่มเขียวคล้ำจึงโทรบอกสุนีว่ามีแต่พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งไดในยามนี้สุนีจึงตัดสินใจโทรไปกราบเรียนท่านปิว๋วท่านปิ๋วบอกว่าหลวงตาพักแล้ว สุนียังไม่ลดละความพยายามตั้งจิตอธิษฐานพร้อมทั้งกราบเรียนท่านปิวว่าถ้าเช่นนั้นก็แล้วแต่วาสนาบารมีของพี่เขาหากเขายังมีวาสนาก็ขอให้หลวงตาเมตตาโปรดด้วยคำอธิษฐานของสุนีอาจไปกระทบจิตขององค์หลวงตาหรือไม่เทวดาอาจรีบไปส่งข่าวก็ได้อีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงท่านปิวก็ติดต่อแจ้งกลับมาว่าหลวงตาเรียกท่านไปพบพอดี ท่านจึงมีโอกาสกราบเรียนว่าข้าพเจ้าหมดสติอยู่หลังจากหลวงตารับทราบแล้วท่านปรารพว่าทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วแต่เราจะช่วยพราะคนคนนี้เขาเป็นกาลังสาคัญของพระศาสนาแล้วสั่งให้ท่านปิ๋วโทรแจ้งกลับมาว่าท่านจะช่วยคุณหมอแสงดาวลูกศิษย์หลวงปู่สุวัตที่วัดป่าเขาน้อยบุรีรัม ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่คงเคยทำบุญเกื้อหนุนกันมาจึงได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้อย่างวุดวิตคุณหมอเล่าว่าวันนั้นเข้ามาประชุมที่โรงพยาบาลมหารานรชนครราชสีมาพอเสร็จประชุมเตรียมเดินทางกลับขณะที่กำลังแวะซื้อของฝากอยู่แถวหัวทะเลก็ได้รับโทรศัพท์แจ้งข่าวจากน้อยหรือคุณนิยดาโยบอุปถากวัดป่าเขาน้อยพอน้อยทราบว่าคุณหมออยู่ที่โคราชพอดี จึงได้ขอให้คุณหมอช่วยมาดูอาการข้าพเจ้าที่โรงพยาบาลด้วยคุณหมอจึงตีรถย้อนกลับเข้าโคราชทันทีเมื่อมาถึงโรงพยาบาลคุณหมอคิดว่าข้าพเจ้าคงอยู่ห้องฉุกเฉินแต่ผิดคาดทางโรงพยาบาลให้ข้าพเจ้าอยู่ห้องพิเศษคุณหมอจึงใจชื้นคิดว่าอาการคงไม่หนักมากแต่พอไปถึงห้องพบว่ามีญาติธรรมอยู่ทั้งในห้องและนอกห้องเต็มไปหมด เขาเล่าให้ฟังในภายหลังว่าเขาโทรแจ้งกันว่าให้รีบมาดูใจเพราะข้าพเจ้ากำลังจะตายแล้วพอคุณหมอเห็นอาการก็รู้สึกกังวลมากเรียกเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกตัวหายใจไม่ดีแล้วในวงเล็บหายใจปลาคุณหมอจึงบอกพยาบาลให้ไปเชิญคุณหมอวิสัญญีมาประเมินคนไข้เพราะดูแล้วน่าจะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วย้ายไปอยู่ไอซด่วนเดชบุญคุณหมอแสงดาวมาทันการ คุณหมอบอกว่าถ้าหากไม่ได้เครื่องช่วยหายใจทันทีในตอนนั้นข้าพเจ้าคงหมดลมไปก่อนเป็นแน่คำวินิจฉัยทางการแพทย์เข่าอ่อน หมอแสงดาวบรรยายอาการของข้าพเจ้าที่ได้พบตอนนั้นคุณหมอบอกว่าหมอเขาอ่อนเลยอาการดิ้นทุรนทุรายเหมือนคนเส้นโลหิตในสมองแตกหรือเส้นเลื่อนในสมองอุดตันหากเป็นเช่นนั้นจริงก็ไม่เห็นทางรอดถ้าปฏิหารรอดได้ก็ต้องนอนเป็นผักเป็นเจ้าหญิงนิทราหรือโชคดีสุดๆก็พอเป็นผู้เป็นคนแบบเออเอออยู่อย่างน้อย6เดือนกว่าจะฟื้นฟูเป็นปกติได้ คุณหมอจึงขอให้ทางโรงพยาบาลทํเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองหรือซีทีสแกนด่วนผลปรากฏว่าไม่มีอาการทางสมองแต่เกิดจากปริมาณเกลือแร่ต่าลงกระทันหันทําให้สูญเสียความรู้สึกจากนั้นจึงแนะนำให้ไปเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคตายจากโรงพยาบาลมหาราชมาดูอาการซึ่งให้บังเอิญว่าคุณหมอเป็นลูกชายของสิทธิ์คนหนึ่งของหลวงตา จากคาบอกเล่าของพี่ๆน้องๆที่เฝ้าดูอาการคุณหมอเจ้าของไข้าถามว่าคนไข้เป็นเบาหวานหรือเปล่าเพราะน้ำตาลขึ้นสูงถึง200กว่าหรือ400อยกว่าไม่แน่ใจในข้อมูลส่วนนี้เกลือแรก่ก็ต่ำถึง119ความดันก็ลดต่ำจนน่ากลัวหลานบอกว่าอยู่ที่50ถึง30ต้องใช้ยาเร่งความดันตลอดเวลาทั้งหมดนี้คืออาการที่ปรากฏส่วนสาเหตุยังฝันทงให้ชัดเจนไม่ได้ ทำวินิจฉัยทางจิตหมดอายุไขชะตาขาดเมื่อญาติพี่น้องทางกรุงเทพทราบข่า ว, าวหลานชายซึ่งคุ้นเคยกับนักปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งชื่อคุณน้อยเธอมีความสามารถพิเศษทางสมาธิจิตหลานจึงโทรไปปรึกษาว่าจะมีทางรอดไหมคุณน้อยตอบว่าไม่พ้นวันนี้หมดอายุไขแล้วชะตาขาด หลังจากนั้นอีกสามวันข้าพเจ้าฟื้นขึ้นมาหลานก็โทรไปหาคุณน้อยหลานยังไม่ทันพูดอะไรคุณน้อยก็พูดขึ้นก่อนว่ารอดแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านช่วยไว้น่ะให้ไปกราบขอพระคุณท่านด้วย